คนพาลเหมือนทัพพีไม่รู้รสแกงพระพุทธภาสิคนพาลอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตก็ไม่รู้ทำเหมือนทัพพีคลุกคลีอยู่กับแกงก็ไม่รู้รสแกงอธิบายกว่าเหตุที่คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้ทำอย่างบัณฑิตได้นั้นเพราะไม่ใส่ใจไม่เคยถามไม่สนใจฟังว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำนอกจากนี้ยังจะเห็นวิปริตไปว่า การเรียนทำสอนธทมอธิบายธรำและการประพฤติธรรมนั้นเป็นเรื่องของคนคลื้คนเขา่ายอมให้คนอื่นเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยเอาผลประโยชน์ไปได้ตามใจชอบไม่รู้จักเอาเปรียบใครเสบ้างเป็นต้นคนพานมองเห็นการประพฤติธรรมเป็นการยอมเสียสละประโยชน์แต่บัณฑิตย่อมมองเห็นตรงกันข้ามคนพานเห็นว่าใครด่าต้องด่าตอบใครโคงต้องโกงตอบแต่บัณฑิตเห็นว่า ใครดา่าเราต้องอดทนใครโกงก็ช่างเขาเราไม่โกงเราอยู่เป็นสุขหนอทัศนะของคนพาลและบัณฑิตแตกต่างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงตรัสว่าท้องฟ้าและปะตพีฝั่งทั้งสองของมหาสมุดนับว่าห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันมากกว่านั้นด้วยประการชนี้คนพาลแม้อยู่ใกล้บัณฑิตก็ไม่สามารถรู้รสธรรมพระตถามข ตรัสพระพุทธพจนีที่เชเทวนารามเมืองสาวัตถีทรงปราลพระอุทายีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระอุทายีมีชื่อมากในทางโลเลและเถอะมีพระวินัยเป็นอันมากที่บัญญัติขึ้นเพราะพระอุทายีเป็นต้นเหตุจนบางแห่งท่านเรียกว่าโลลุทายีแต่ว่าอุทายีพูดเละเถอะวันหนึ่ง เมื่อประชุมฟังธรรมคันในธรรมสภาการฟังธรรมแสดงธรรมสุดสิ้นลงแล้วพระศาสดาและพระเถระผู้ใหญ่หลีกไปแล้วพระอุทายีก็ไปสู่โรงธรรมขึ้นนั่งบนธรร ม, มาทพวกภิกษุอาคารตุกะผู้ไม่คุ้นเคยเข้าใจว่าพระผู้นี้น่าจะเป็นพระมหาเถระผู้ผู้หูสูดจึงถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขันธาตุอายตนะเป็นต้นพระอุทายีตอบไม่ได้สักเรื่องเดียวภิกษุอาคารตุกะเหล่านั้นจึงติเตียนว่า พระเถระอะไรอยู่ในวิหารเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแท้ๆยังไม่รู้ธรรมสักว่าขันธาตุและอายตนะเป็นต้นดังนี้แล้วชวนกันไปเฝ้าพระาศาสดาทูลความนั้นให้ทรงทราบ พ, พระทศพลจึงตรัสว่าคนพานอยู่ใกล้บัณฑิตแม้ตลอดชีวิตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น